สิ่งที่เธอเข้าใจสิ่งที่เธอได้ฟังเรื่องราวของฉันที่เธอมีเรื่องราวหลยายยาที่เธอคิดว่าดีมันไม่จริงอย่างที่เข้าใจสิ่งที่ฉันได้ทา ร้ายรายรุนแรงเกินฉันจะอธิบายเรื่องจริงหลายอย่างที่บอกใครไม่ได้เพราะความจริงมันโหดร้าย จำเป็นที่ต้องยอมลามันไ ม, ม, ม่มีทางให้เดินออกนอกจากทางนี้ก็เพราะฉันรักเธอรักจนหมดใจไม่ย จำ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 เป็นที่ต้องยอมลามันไม่มีทางให้เดินออกนอกจากทางนี้ก็เพราะฉัน เป็นอย่างไรสักวัน หมดใจไม่อยากจะเสียเธอไปอาจเธอรู้ว่าฉันเคยเป็นอย่างไรสั่วันคงเสียเธอไปก่อนว่าฉัน